ชาวิสัญชนาทติ ก, กับท่านลวงตานรลังจณ์ผขีนาลอยู่ตอน16นาทีแห่งการเิียรู้ไปอยู่กับคิดก็กลายเป็ น, ปนไปคิดวนคิดนี่คิดไปเรื่อยน้ำกระพรอแท้หดหูเบือเต็มกุ้มบหยิดกำคาญตืมเศร้า แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจหลุดหิวง่ายกระทบกับคนอื่นง่ายน้อยใจทีจ่แ้วก็คิดไปเราบ่มด้อยด้อยกับเขาเราสติปัญญาถูกเขาไม่ได้อะไรตั้งคิดไปอย่าได้คนที่ไม่ไม่ถูกมันไม่ได้มีเหการณ์ปัจิุบันนั่นคือกิเลสมันต้องพลิกกลับมาให้มันสติตื่นรู้อยู่ปัจจุบันตัว อ, อยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรเนี่ยให้ใจมันรู้อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่กําลังพูดอยู่กําลังทําอยู่กําลังคิดอยู่ว่าเรากำคิดอะไรอยู่ตั้งใจจะคิดอะไร คิดให้มันจบคิดให้ม so ันรู้เร well> mmm> ื่องคิดให้มันปิ้งใชมไหมเหมือนไอ้อิคิวซาไงหนังประตูเรื่องอิคซางเวลามันเวลามันจะคิดอะไรมันก็ใช้มองใช้หมองติดต่อติดต่อติดต่อเก็ะมองแล้วก็ทำทบบาทที่คือให้มันคิดจดจอจดจอจดจอจดจอจดจอจดเลยจนกระทั่งมันปิ้งในเรื่องนั้นแต่ละเรื่องให้ขาดไปแต่ของท่านมันไม่มันไป คิดเเมียอารมเมียอารมแล้วคิดคิดเราเมียอารมณ์เื่อยเปื่อยไปเรื่อยมีความน้อยเนื้อส่ำใจตื่นเป็นเรื่องไอ้อะไรล่ะท้อแท้หดอูเบื่อเซ็งพุ่มท้อแท้หดอูสิ้นหวังไปเรื่อยมันก็ทําให้กระทบกระทั่งกันกระทบกระทั่งคนทั้งคนนี้ผมไม่รู้ผมรู้แตนอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติอย่างนี้คือหลงถ้าไม่หลงคือต้องฝึกให้ิตตืรู้อยู่ในปัจจุบันตื่รู้ในปัจจุบันตื่รู้อยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนจะอยู่หนั่นทำอะไรให้ ใจเนี่ยมาตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่าตัวกําลังทําอะไรอยู่กําลังพูดอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่ตั้งใจอะไรคิดอยู่ก็ติ๊ตอกติ๊กตอิ๊กิ๊กคิดมันปิ้งกี่วันกี่คืนก็คิดจดจอจดจอคิดกับมันเนี่ยฮะจว่ถ้ามันติ้งคิดแบบไี้อีกคือสร้างอ่ะเช่นหมองเช่นหมองนั่งสมาที่เช่นหมองเชหมองคิดอยู่นั่นแหละจดจอจดจอเนี่ยหลวงปู่อว่านเวลาจดจอนี่สี่วันสี่คืนปิ้งระเบิดเลย คือถ้าเข้าใจอะไรพวกต้องมาถามพ่อก่อนนะดีนะ อ, อย่างนั้นผมจะกลัวจะเข้าใจผิดไงเพร้ะเราต้องฝึกให้มาสติฝึกสติให้มันตือน ร, รู้อนเดียวไงตรงนี้นะฝึกสติค่อยไลยคิดอใจก็สงสัยมันไป <c oughs> มันหมกมุ่นเข้ในความคิดคิดหมกมุ่นจนเป็นอารมณ์เป็นความทุกข์ความเครียดเป็นความกังวลเป็นความกระทบกระทั่งกันเลยคิดดกระทั่ง การเป็นไปเตือนว่าไปพรมได้เองตัวเองมันต้องมีต <interpret>? ื่นตื่นตื่นเบิกบานตื่นเบิกบานต้องตื่นออกมาเบิกบานแล้วมารู้เรื่องตัวเองกําลังคิดกําลังพูดกําลังกระทําอยู่คิดอะไรไม่ออกก็จอดจอดจอดจอดจดใจความสงบใจเช่นมองเช่นมองอนไรอีกหลังอีกคือสางหลักตัวนี้คือสรงเช่นมองไปดูม่งหลักตัวนี้คือสรางไปดูเออไ่นไหมมันจะจอดจอดจอดกันวังกี่วันกี่คือมัติ้งถึงอะไรเงี้ยน่ะเด็ก คิดมันได้ใจที่สงบมันจะเป็นหมนกบุญคุณคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นอนี้คิดไปแล้วก็น้นอยเนื้อต่าใจเบือเป็นกลุ่มท่อแต่หดอูสิ้นหวังน้อยเนื้อต่ําใจขับแค้นใจขับแค้แนใจตัวเองขับแค้นใจคนนู้นคนนี้อะไรมันอย่างนี้มันเป็นกิเลสเป็นความทุกข์มันจะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องสึกให้มีสติตื่ น, นรู้อยู่ในปัจจุบันตื่ น, นรู้อยู่นในปัจจุบันมันชะมารู้สึกตัวคาไว้เฉย คือให้มาตื่นรู้อย่านปปัจจุบันว่าเรากำลังทําอะไรอยู่กําลังพูดอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่มันคิดไม่ออกก็จดจ่อกับมันน่ะเช่นหมอเช่นหมอมันทอิคิวรังน่ะคิดเป็นดีใจสงบกี่วันกี่คืนก็จดจ่อกับมันอยู่อย่างนั้นแหะก็ทำมันปิ้งหรือเป่าเออเช็ดได้ไหมเช็ดได้ไหมอยงนี้ถนี้มันตอนเนื่องในขาสายสติมาตื่นรู้อยู่ปัจจุบันตื่นรู้อยู่ปัจจุบันสติเอ่อตื่นรู้กับสติ ตั้งสติรู้เนี่ยเดียวกันมั้ตั้งสติมารู้อะไรอ่ะตั้งสติมารู้เลยไม่ใช่ท่านบอกว่าตั้งสติไม่ใช่ตั้งสติเอ่อสติตือนรู้กับตั้งรู้เนี่ยเดียวกันตั้งรู้อะไรท่านตั้งรู้อะไรอะต้องดูวท่านตั้งรู้อะไรเขามาตั้งรู้ของท่านท่านอธิบายของท่านให้ผไม่เข้าใจว่าคำว่าตั้งรู้ของท่านหมายถึงอะ ถ้า เ, ออเป็นสติตื่นรู้ปัจจุบันก็อย่างที่ผมอธิบายแล้วเมื่อกี้เนี่ยกลับไปตั้งรู้ของท่านมันเป็นยังไงวะท่านอธิบายผมฟังคือเอาเอาผู้รู้ผู้รู้ไปตั้งรู้เนี่ยตั้งรู้อะไรก็มันมันคอยจดจ่อไว้เงี้ยคือมันก็จดจออะไรจดจ่ออะไรถ้าจดจ่ออะไรมันบางทีเราก็ไม่ค่อปไปรู้ รู้อะไรท่นตั้งรู้อะไรไม่ใช่ว่าเรารู้เอารู้ความคิดเอาไว้เงี้ยอะอย่างนี้ก็ผิดเลยมาตั้งรู้คอยดูความคิดเอาไว้ถ้าท่านตั้งรู้ดูความคิดไว้ยังงั้นเน่ะเขาจะต้องเห็นว่าตัวเองกาลังคิดแต่นี่ผมเห็นว่าท่านคิดโดยท่านไม่รู้ตัวเลยครัท่านบอกว่าท่านตั้งรู้ ความคิดไว้ตลอดเวลาแต่ผมเห็นท่านคิดอยู่ตลอดเวลาท่านไม่เลยท่าน ไ, ไม่รู้ว่าตัวว่าตัวท่านกำลังคิดมันคนละเรื่องกันฟ้ากับดินเลยถ้ารู้ว่าตัวเรากาลังคิดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือรู้แต่ที่ท่านบอกตั้งรู้คือผมเห็นว่าท่านเนี่ยนั่งคิดทั้งวันเนี่ยท่านบอกว่าตั้งรู้ความคิดแต่ผมเห็นท่านอ่ะเอาตัวท่านเองอ่ะไปคิดทั้งวันเลยคิดนั่นคิดนี่จนก็ต้องเป็นความน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจ ตอนนี้มันเป็นเป็นคล้ายๆว่ามันไหลเข้าไปได้เลยมันหลงมันไม่ใช่มันไม่ใชรู้อันเนี้มันหลงหลงคิดครับมันไม่ใช่ไปรู้ด้วยมันหลงครับหลงคิดไปเลยคือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเงียบๆแล้วก็เงียบๆอยู่เงี้ยมันมันถูกไหมครับเงียบๆก็ร้ายผมท่านรู้สึกเงียบๆแต่ทุกม่ท่านคิดอยู่ในความเงียบอนั่งคิดอยู่ในความเงียบ่ะแต่ว่างเงียบๆแต่ผมไม่เห็ท่าเงียบเลยครับ มันน <necessary. S 2> ั ans, ่งคิดนู่นคิดนี่คิดจนเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจควาไม่สบายใจจิตมันหดหู้ซึมเศร้าไปด้วยหมุดหิดวันนั้นหมุดหิดคนนี้หุดหิดสิ่งนั้นหดหิดสิ่งนี้มีอารมณ์หดหิดง่ายแล้วก็คิดไปเลยว่าไอ้นี้ควรเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ควรไออย่างนี้เราไม่ออกไปอย่างนีดีกว่าตอนนี้เราไม่ไม่ออกไปอย่างงั้นดีกว่าตอนนี้เราจะอยู่ของเราเงียบๆอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นความคิดที่หลอกตัวเองไปเรื่อยมันก็กลายมันคิดอย่างไรมันก็หลงไปตามความคิด ตอนนี้เราไม่อยากออกผู้ใครแล้วเราหยุ่งเราก็เดียวนิ่งๆนี่ดีกว่าแต่มันไม่ดีเราอย่างนั้นน่ะแท้จริงอ่ะท่านหลงในความคิดความคิดมันหลอกหน้าให้ต่ดสินแบเงียบๆเออมันก็ต้องมารู้มันอเองใช่ไหมมารู้ที่มันคิดอย่างน อ, อ ร, รู้รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะมันถูกความคิดหลอกเราก็จะหลงไปตามความคิดตัวเราไม่มีตัวเราไม่เคลื่อนไหวตัวเราไม่ปรากฏอาการใดๆเลยแต่ท่านมีตัวเอตตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวที่ปรากฏอาการ Blue แต่ตัวเราจะต้องไม่เคลื่อนไม่มีปรากฏเลยไม่มีปรากฏตัวเพราะตัวเราไม่มีจึงไม่มีตัวเราปรากฏการเคลื่อนไหว rewarded, ไม่ปรากฏอาการใดๆเลยมีแต่จิตเขาเคลื่อนไหวก็ปรากฏอาการคิดนั่นคิดนี่แต่ท่านเนี่ยปูกค <Organ rire. S 2> วามคิดมาหลอกให้ให้เป็นหนึ่งวัตถุทำหนึ่งทั้งนี้เราทั้งนีหลกไปตามความคิดมันะให้อยู่เงียบๆไม่ออกไปถูกก็ใครตอนนี้เรา anyway. อยากเป็นอย่างนี้ตอนนู่นเราอยากเป็นอย่างนั้นตอนนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้ความคิดมันหลอกให้ท่านทำแล้วท่านก็ทำไปตามมันผมเห็นแล้วอย่างเนี้ไม่ใช่เป็นรู้รู้มันต้องรู้สึกตัวขึ้นมาววว่าาาเรถูกกคคมิดหลลอแ้ เราไม่หลงไปตามความคิด安ะที่จะรู้ทีนี้เราถูกความคิดมันหลอกให้เรานั่งคิดไปความคิดมันบกการเราหมดเลยตอนนี้งกลางตอนนี้อย่าออกไปคุยกับใครตอนนี้อยากอยู่เงียบๆตอนนี้ไม่อยากออกไปฉันข้าวตอนนี้อยากนอนตอนนี้ไม่อยากสูงถึงกับใครตอนนี้ไม่อยากพูดกับใครเราจะเล่นกับคิดไปผมเห็นท่านคิดคิดไปเราสู้เข้าไม่ได้เราน้อยเลือต่ำใจเราปัญญาเราฉลาดสู้เข้าไม่ได้ อลไรก็กี้ไปเรื่อยตอนเนี้ยครก็ฉันไม่ได้รู้ตัวหรอกไอ้สติตื่นรู้จุบันรู้มนรู้ตัวขึ้นมาว่าเนี่ยความคิดพวกนี้มันมาหลอกเราอย่าให้มันหลอกเราได้นั่นมันตื่นรู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่ตรงฉลาดอนะ่ความรู้ตัวนะี่มันบวกปัญญาคือฉลาดด้วยมันฉลาดไม่ถูกอะไรหลอกเหมือนกับไม่ถูกพวกสิบแปดมังกรเนี่ยมันหะลอกต้มหลอกเอาละหลอกต้มเราไปหมด ความคิดมันเหมือนตุิแปดมงกรนี่เนี่ยมันคอยหลอกต้มเราตลอดเวลาอย่าไปเชื่อมันมันคิดให้เราทําอะไรมันเราก็ลงไปตามมันหมดเหมืนตุ๊กติกแปดมังกรมาหลอกต้มเราหลอกอัมาขายหลอกอันนี้มาให้เราซื้อนั่นหลอกอันนี้มาหลอกลวงเราให้เราเสียเงินเสียทองเสียนี่เสียนี่เหมือนตุ๊ิ๊แปดมงกรเราเราไม่รู้ไม่ทันมันก็ถูกมันต้มเหมือนแบบเดียวกันเนี่ยติมปัญญาเรารู้ไม่ทันความคิดก็ถูกความคิดมันต้มเราหมดอเลยถูกความคิดอารมณ์มันต้มไปหมดมันห่ออยากให้ท่านทำยังไงท่านก็ทําไปตามมันเลย ลงไปตามมันตอนนี้อย่าไปคุยใครตอนนี้อยากอยู่มเงียบตอนนี้ไม่อยากออกไปแั่งข้าวตอนนี้ไม่อยากเอาปีกมาบาดตอนนี้เราไม่อยากทำโน้นไม่อยากทํานี่ตอนนี้มีคนทํานี่อาจารย์เราไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราหกทีไปโดนหลอกไปหมดอ่ะผำไมคุณจะไม่รู้ท่นโดนหลอกหมดโดนความคิดหลอกหมดอารมณ์หลอกหมดอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันสติปัญญาของท่านรู้ไม่เท่าทันโดนมันหลอกต้มเอา ความคิดของท่านอารมณ์ของท่านเหมือนพวกทีแปบมาปูดมาหลอกต้มท่านตลอดเวลาท่านน่ก็หลงกลมันไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติปัญญามาตื่นรู้ในปัจจุบันตืรนน่รู้ต่อท่านมันรู้ต่อท่านความคิดรว้ท่านอารมณ์จึงหลอกต้มที่หลวงปู่มั่นบอกว่าอยู่เงียบๆต้นจิตไม่คิดอะไรตามแต่การของจิตไม่คิดหวังต้องบุ่นต้องวายหาระวังนอนหรือนั่งนึกค้นอยู่ต้นจิต ต้นจิตก็คือเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยครับจิตดั้นเดิมจิตเดิมแท้ที่ตัวตนมันไม่มีไม่มีอาการไม่มีกิริยาการเนี่ยแต่แต่รู้สับตะวารู้ทุกคิดทุกอาการนนเนี่ยคือไม่ว่าจะทากวาดตาทาําอะไรก็อะไรก็ตามเนี่ยให้รู้อยู่ที่ต้นจิตไปกินจะขันข้าวจะเดินบิตะบา่าจะทาําอะไรก็กวาดตาก็รู้อยู่ต้นจิตคือต้นจิตจิตต้นพ้นในหัหวนเนี่ยจะปล่อยไ ห, หลไปตามความคิดตามอารมณ์ มันมีความคิดมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้แต่รู้สตวรูต้นจิตเลยคือไม่หลงไปตามอาการเราไม่มีอาการเราไม่มีกิริยาการกระเพื่อมไม่มีความใหวตัวใดๆเลยเพราะตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีมีแต่กิริยาการเกียบเหมือนเราคือความว่างเปล่าของอวกาศจักรวาลตัวตนไม่มีมีแต่กิริยาการที่ปรากฏขึ้นรู้ต้นจิตคือมันมีกิริยาการใดๆปรากฏขึ้นไม่มีเราไหลไปตามมันเลยเพราะตัวเราไม่มีอาการไม่ปรากฏตัวเราไม่มีตัวตนของเราจึงมีตัวเราไหลไปกับอะไร ในใว่าตัวเราไปเคแสวงหาหวยหาความสงบความสงบมันก็เป็นอาการมันก็เป็นเจตยาการความสงบอ่ะแต่ตัวเราไม่มีแเราจรินไม่มีมันก็จึงก็ได้แต่รู้ว่าสับตาวรู้ความสงบเพราะว่าสับตาวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้นะมันเป็นธรรมชาติของขาดว่างเปล่าที่มารู้รู้ว่าตอนนี้ใจสงบแต่ไม่สงบก็จับตาวรู้ใจสงบก็จับตาวรู้ใจมันไม่สงบก็จับตาวรู้ใจสงบกับใจว่างเดียวกันไห คว่างหมบเป็นอาการความรู้สึกว่างก็เป็นอาการความรู้สึกใจว่างก็เป็นอาการความรู้สึกใจสงบก็เป็นอาการความรู้สึกจิตใจมันมีความรู้สึกอย่างไรนะเป็นอาการทั้งหมดแต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันได้แต่รู้รู้คือไม่มีตัวตนไม่มีอาการใดๆเลยได้แต่รู้แต่อาการที่ถูกรู้ทั้งหมดจะเป็นกิริาอาการที่ไม่เที่ยงทั้งหมดตกอยู่ใต้นิจังทุกฝั่งหน้าตาเนี่ยเป็นสางขารเพียร์เราคือความสงบนั้นใช่ไหมไม่ใช่เราไม่มีอะไรเลยตัวเราไม่มีแล้วจะมีความเราคือความสงบได้ยังไง แอ้วเคยเคยได้ยินหลวงพ่อบอกเราคือความว่างนั้นเปรียบเหมือนมมุดสมมุตินมม น, มมมมนั้เพื่อไ <urning. S 2> ม่ให้เราเนี่ยไปเป็นอะไรเลยอืมเพื่อไม่ให้เราไปเป็นอะไรทั้งหมดอ่ะไปเอาอะไรทั้งหมดเราจึงเป็นความว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกวา่างคือว่างจากตัวตนว่างจากตัวเราเราเนี่ยคือความว่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเลยเปียหมือนเราไม่เราไม่มีเลยคือไม่สมมุติเอาไว้มันก็กลายเป็นเราทุกอย่างอ่ะ ความคิดก็เป็นลราเป็นตัวเราเอารมณ์ก็เป็นเราเป็นตัวเราเราไม่มีอะไรเลยตัวเราไม่มีจึงไม่มีเราไปอันคิตอะไรไว้แม้แต่ความว่างหรือเอาตัวเราไปยึดความไม่มีไว้ไม่มีเราอาตัวเราไปยึดความไม่มีไว้นะที่พระพุทธเจ้าถามอะไรนะอาจารย์ท่านะคือจะเราจะขุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงอ่ะท่านก็บอกว่าเราจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างหมายความว่า ไปเป็นหนึ th ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็คือเราสิ้นความปรุงแต่งคือวิสิทธิ์ไอความปรุงแต่งทั้งหมดที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราได้มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นในความปรุงแต่งเพื่งจะปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้ามันปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้มันสิ้นความปรุงแต่งทั้งหมดสิ้นความหลงปรุงแต่งเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันสิ้นความปรุงแต่งทั้งหมดมันจะจึงเลยเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็เรียกวิสามขานคือความไม่ปรุงแต่งมันก็มันก็กลับเข้ามา ตรงที่รู้ตรงๆอีกเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละครั บ, รบเป็นอย่างที่พูดที่ที่บันทิตนะรู้รู้ในรู้ในไปเรื่อยๆอือรู้ในรู้ในรู้เพื่อละไม่ใช่รู้เพื่อเราเป็นอะไรรู้เพื่อไม่เอาอะไรสักอย่างมันก็ละวางความเป็นตัวเราไปให้หมดสิ้น ไม่ใช่รู้เพื่อเราเป็นอะไรใตัวเราเป็นอะไรท่านจะทิ้งรู้ไปคิดเอาตลอดมันไม่ใช่รู้สนุกคิดมันคือรู้ว่าตัวเราคิดอะไรเด็กตัวเรากำลังจะคิดอะไรตัวเรากำลังคิดอะไรไมใ่ไหห้ามไม่ให้คิดใส่ทุกคิดที่ตัวเราคิดขึ้นมานนี้ให้รู้หมดแต่ท่านเน่ยทิ้งรู้ไปคิดเอาไปเป็นคิดทั้งหมดเลยไม่ใช่รู้ทิ้งฐานะของรู้ไปเป็นผู้คิดทั้งหมดเลยท่าน ด้านที่ที่หลักสีที่หลวงพ่อว่าต่อไปคุณต้องเดินทางเองเนี่ยตรงจุดนั้นที่บอกว่าที่หลวงพ่อจี้นะ่ะ น, นั้นคือคือสภาวะนั้นเป็นเป็นยังไงคือมันสามารถจะเดินทางไปกรรมฐานที่หลวงปู่ดวนว่านะตรงนั้นมันมนใช่ไหมฮะ S <S ไม่มีหรอกผมจาไม่ได้แล้วอดีตผมไม่ผมไ ม, ไม่ได้เามาจําหรอกอดีตยึดไม่ได้ครับอดีตมันคืออดีตเป็นทําเมอาอะอนาคตก็เป็นทําเมาอยู่กับรู้ปัจจุบันในปัจจุบันคือรู้ตามความเป็นจริงอะรู้อาการทุกกิยาการตามควาเป็นจริงที่เป็นมันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีใครไป็นเสวยไมมีใครเป็องรับไม่เอาอาดีตมาจําเลยอะ